กิริยทิฏฐิแบบกิริยทิฏฐิพรามและกหาบดีทั้งหลายมีสมณพรามผู้หนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทาเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทาให้ลาบาก ดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดับจี้ในทางเปลวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดูดมีโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดูดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกัน เขาย่อมไม่ม ha. ีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้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 ผูท้ทำเช่นนั้นจัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุลมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุลลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน เขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองช่าให้ผู้อื่นให้บูชาเองช่าให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นมีบุญมาถึงเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์มีบุญมาถึงเขา ท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหม์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราามและขหาบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะโทษแห่งการปฏิบัติผิด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 ดิ้นรนเองใช่ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชูพูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกัน เขายอมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองช่ให้ผู้อื่นฆ่าละถึงไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจากเว้นกุศลธรรมสามประการได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. ม, มโนุสุจริตจากสมาทานอากุศุลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริตสองวจีทุจริตส ม, มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ําซามความเศร้าหมองแห่งอกุศุลธรรมไม่เห็นอนิสงในเนคขมะ อันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกูสนธรรมอันหนึ่งการกระทํามีผลแต่เขากลับเห็นว่าการกระทําไม่มีผลความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฐิการกระทํามีผลแต่เขาดาริว่าการกระทําไม่มีผลความดารินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะการกระทํามีผลแต่เขากล่าวว่าการกระทําไม่มีผล วาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาการกระทำมีผลเขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นฆ่าศึกกับพระอาหารหันต์ผู้เป็นกิริยวาทะการกระทำมีผลเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำไม่มีผลการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง และเขายังยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิช้าทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอากุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิช้าทิฏฐิมิชา้ชาสังกับปะมิช่าวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะ การทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และขหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทาไม่มีผลเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจกทำตนให้มีความสวัสดีได้ ถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุ ก, กติวินิบาตนรกถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิชาทิฐิ เป็นอกิริยะวาทะถ้าการกระทา ม, มีผลจริงบุรุษบุคคลผู้เจริญนี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้อปันนกธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียว ย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้คุณเห็นการปฏิบัติชอบพรามและกระหรบดีทั้งหลายในลทัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้น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 ร่นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทําเช่นนั้นจัดว่าทําบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดูดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดูดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ําคงคา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 จากการฝึกอินทรีย์จากการสํารวมจากการพูดคำสัตว์มีบุญมาถึงเขาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจากเว้นอุติธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริตสองวจีทุจริต 3. มโมทุจริตจากสมาทานกุศลสประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริตสองวจีสุจริต สามมนุสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเห็นโทษความตำซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมเห็นอนิสง์ในเนกขมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งการกระทํามีผลเขาเห็นว่าการกระทํามีผลจริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสาัมมาทิฐิ การกระทำมีผลจริงเขาดาริว่าการกระทำมีผลจริงความดาริน mm sí ah ah MM ah ั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะการกระทำมีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทำมีผลจริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาการกระทำมีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทำมีผลจริงผู้น ah ah ah ี้ชื่อว่าไม่ทาตนเป็นฆ่าศึกกับพระอรหันต์ ผู้เป็นกิริยาวาทะการกระทำมีผลจริงเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำมีผลจริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาเก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงาม เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุปสมทธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นฆ่าศึกกับพระอริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พรามและกหาบดีทั้งหลายในลทัทธิของสมณะพรามเหล่านั้น วินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีล เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกิริยวาทะถ้าการกระทามีผลจริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญสองหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อปันนกะธรรมที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วแพร่ดิ่งไปทั้งสองฝ่าย ย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้เหตุกะทิฏฐิกับอเหตุกะทิฏฐิพรามและกหาบดีทั้งหลาย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 ล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหพราหมณ์และข้าบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองมีกำลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงไม่ใช่ไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตน สวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และขหาบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่า กแงารปฏิิิบัตผดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามและขหบดีทั้งหลายในละทิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า <brainstorm ing> <ten> ความเศร้ามองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เอง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 จากเว้นคุณสธรรมสาประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริตสองวจีสุจริตสมมนุสุจริตจากสมาทานอากุณสมธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริตสองวจีทุจริตสามมนุทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นพระเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุณสมธรรม ไม่เห็นอนิสง์ในเนคขมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมเหตุมีอยู่แต่เขาดําริว่าเหตุไม่มีความดํารินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะเหตุมีอยู่แต่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาเหตุมีอยู่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีผู้นี้ย่อมทําตนให้เป็นฆ่าศึกกพระอรหันต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 บาปอากุศสลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิช้าทิฏฐิมิช้าสังกัปปะมิช่าวาจาความเป็นค่าเสื่อพระอริยะการทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และขหาบดีทั้งหลายในลทัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า ถ้าเหตุไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะทําตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าเหตุมีอยู่จริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาดนรกถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคําของสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้น บุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีนเป็นมิจฉาทิฐิเป็นอเหตุกะวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคลนี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกอย่างนี้ อปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาธานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่เด่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้คุณแห่งการปฏิบัติชอบพรามและขหาพดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงบริสุทธิ์มีกาลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์บารณะภูตะชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะของตนย่อมไม่ได้เสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกสมณะพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจากเว้นอกุสนธรรมสาประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริตสมนโนทุจริต จากสมาทานกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่หนึ่งกายสุจริตสองวจีสุจริตสมมนุสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเห็นโทษความต่ําซามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมเห็นอนิสง์ในเนคขมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่ง เหตุมีอยู่เขาเห็นว่าเหตุมีอยู่จริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุมีอยู่จริงเขาดําริว่าเหตุมีอยู่จริงความดํารินั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงผู้นี้ชื่อว่า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 วินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคล น, นี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคำของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคล น, นี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่า เป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลมีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุกวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริง บ, รบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือหนึ่งในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อปันนักกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้ แพร่ดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้ความขัดแย้งการเรื่องอรูปประพรมพรามและกษัรบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอารูปประพรมไม่มีโดยประการทั้งปวงสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี abi? ้ว่าอรูปประพรมมีอยู่โดยประการทั้งปวงท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือ ใช่พระพุทธเจ้าค่าพรามและข้าบดีทั้งหลายในลทัทธิของสมณพราหมูพวกนั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหม์ทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอารู ป, ปรพรหมไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า อรูปรพรหมมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะพึงถือเอาฝ่ายเดียวกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอารูปรพรห ม, มไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้ว เป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้มีรูปสำเร็จด้วยใจซึ่งไม่ถือว่าผิดถ้าคําของสมณะพราหม์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอารูปป ร, รมมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งการถือท่อนไม้การถือสัสตรา การทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่าเจ้าเจ้าการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จซึ่งมีรูปเป็นเหตุย่อมปรากฏแต่ข้อนี้ย่อมไม่มีในอรูปประพรมโดยประการทั้งปวงวิงยูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแห่งรูปอย่างเดียว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 สมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพรามและข่ะอบดีทั้งหลายในลทัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วย แม้การที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งพบมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะถือเอาฝ่ายเดียวแล้วกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคําจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งถ้าคําของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคาจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะปรินิพานในปัจจุบัน ความเห็นของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงนิ่ใกล้ต่อธรรม ท, ที่ยังมีความกำหนัดใกล้ต่อธรรม ท, ที่ยังมีสังโยชนิใกล้ต่อธรรม ท, ที่ยังมีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรม ท, ที่มีความจดจ่อใกล้ต่อธรรม ท, ที่ยังมีความถือมั่นส่วนความเห็นของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีสังโยชนใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความเพลดิดเพลินใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความจดจอ่อใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความถือมั่นวินยูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับแห่งพบอย่างเดียวบุคคลสี่ประเภทพรามและกะหาบดีทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทไหนบ้างคือ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 บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือกกายไม่มีมารยาทเลียมือละถึงถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้พรามและขหาบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน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 ครั้นละนิวรณ์หประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกาลังปัญญาแล้วสังอาจจากกามและอกคติธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานและถึงอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตฌานและถึงอยู่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 ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านสาลาได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ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 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอปันนั ก, กสูตรที่ส0จบขหปฏิวัตที่หนึ่งจบบริบูรณ์